13. วีสตินิบาตหนึ่งอัมพปาลีเถรีคาถาภาษิตของพระอัมพปาลีเถรีพระอัมพปาลีเถรีได้กลาา่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อก่อนผมของเรามีสีดำเหมือนสีแมลงผู้มีปลายผมงอนเดี๋ยวนี้ผมเหล่านั้นกลายสภาพเป็นเหมือนป่านและปอเพราะชราพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริง เป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนมวยผมของเราเต็มด้วยดอกไม้หอมกรุนเหมือนผ อ, อบที่อบกลิ่นเดี๋ยวนี้ผมนั้นมีกลิ่นเหมือนขนกระต่ายเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้รตรัสวามจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนผมของเราดกงามมีปลายผมรวบไว้ด้วยวีและปิ่นปักผม เหมือนป่าไม้ทึบที่ปลูกไว้เป็นระเบียบงามสะพรั่งเดี๋ยวนี้ผมนั้นบางลงบางลงทั่วศรีรษะเพราะชาราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนผมของเราตกแต่งด้วยช้องผมประดับด้วยปิ่นทองคําอันละเอียดมีกลิ่นหอมงดงามเดี๋ยวนี้ผมนั้นล้านเลี่ยนทั้งศรีรษะ พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนคิ้วของเราสวยงามนักคล้ายรอยเขียนที่จิตรกรบรรจงเขียนไว้เดี๋ยวนี้คิ้วนั้นมีรอยย่นห้อยลงเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนดวงตาทั้งคู่ของเราดำคลับ กลมโตมีประกายงามคล้ายแก้วมณีเดี๋ยวนี้ถูกชาราทำลายเสียแล้วจึงไม่งามพระดารัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนเวลายังรุ่นสาวจมูกของเราโดง่งงามเหมือนเกลียวหอระดานที่ปั้นวางไว้เดี๋ยวนี้เหี่ยวแฟบเหมือนจะจมลงไปเพราะชารา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 เหมือนสีหน่อตูมของต้นกล้วยเดี๋ยวนี้กลับหักมีสีเหลืองปนแดงเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผูต้ตรัสต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนเราพูดเสียงไพเราะเหมือนนกดูเวาที่เที่ยวไปในไพรสนส่งเสียงไพเราะอยู่ในป่าใหญ่เดี๋ยวนี้คำพูดของเราพลาดไปทุกๆคาเพราะชรา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 เป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนทันทั้งสองของเราแต่งตึงกลมกลึงตั้งประชิดกันทั้งงอนสล่างสวยงามนักเดี๋ยวนี้กลายเป็นหย่อนยานเหมือนถุงหนังไม่มีน้ำเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนร่างกายของเราเกลี้ยงเกลาวสวยงามนัก เหมือนอย่างแผ่นทองคำที่ขัดดีแล้วเดี๋ยวนี้เดินไปด้วยรอยเหี่ยวย่นอันละเอียดเพราะชาราพระดํารัสของพระพุทธเจา้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนขาอ่อนทั้งสองของเราสวยงามนักเปรียบเหมือนงวงช้างเดี๋ยวนี้เป็นปมเป็นปุ่มเหมือนข้อไม้ไผ่เพราะชาราพระดารัสของพระพุทธเจา้าผู้ตรัสแต่ความจริง เป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนแข้งทั้งสองของเราประดับด้วยกําไลทองเกลี่ยงเกลาสวยงามนักเดี๋ยวนี้กลับเหี่ยวแห้งเหมือนต้นงาแห้งเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจา้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนเท้าทั้งสองของเราสวยงามนักเปรียบเหมือนรองเท้ายัดปุยนุ่น เดี๋ยวนี้แตกเป็นริ้วรอยเพราะชาราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้ร่างกายนี้เป็นเช่นนี้คร่ำคร่าเพราะชราเป็นแหล่งที่อยู่แห่งทุกข์เป็นอันมากปราศจากเครื่องรูปไล้เป็นดุดเรือนอันคล่าค่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคาจริงแท้ ไม่แปรเป็นอย่างอื่น 2>, 2. โรหิณีเทรีคถาภาษิตของพระโรหิณีเทรีพระโรหิณีเทรีกล่าวภาษิตที่บิดาและตนเองพูดจาโตอตอบกันด้วยการเปล่งอุทานว่า บิดาถามเราว่าแม่โรหิณีผู้เจริญเจ้าหลับก็พูดว่าสมณะตื่นก็พูดว่าสมณะสรรเสริญแต่สมณะเท่านั้นเห็นทีลูกจะบวชเป็นสมณะเสียแน่แท้โรหิณีลูกถวายข้าวและน้ำอย่างภัยบูรแก่เราสมณะพ่อขอถามเดี๋ยวนี้เพราะเหตุไรเราสมณะจึงเป็นที่รักของลูกพวกสมณะไม่ชอบทําการงาน ยีดครานอาศัยแต่ของที่คนอื่นให้เลี้ยงชีพหวังแต่จะได้ชอบของอร่อยเพราะเหตุไรเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกเราตอบท่านว่าคุณพ่อขาคุณพ่อสอบถามไล่เลียงกับลูกเรื่องคุณของสมณะเสียตั้งนานลูกจะขยายปัญญาศีลและความบากบั่นของสมณะเหล่านั้นแก่คุณพ่อดังนี้ สมณะทั้งหลายชอบทําการงานไม่เกียจคร้านทําแต่การงานที่ประเสริฐสุดจึงละราคะโทสะได้เพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะทั้งหลายกําจัดมูลรากทั้งสของบาปทําแต่งานสะอาดจึงละบาปได้ทั้งหมดเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกกายกรรมของสมณะเหล่านั้นสะอาดวจีกรรมก็สะอาด มโนกรรมก็สะอาดเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของโลกสมณะเหล่านั้นไร้มนทินดูดสังและมุกดาที่ขัดดีแล้วสะอาดทั้งภายในและภายนอกบริบูรณ์ด้วยทำฝ่ายขาวเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของโลกสมณะเหล่านั้นเป็นพหูสูตรทรงธรรมเป็นพระอริยะเป็นอยู่โดยธรรมแสดงเหตุและผลเพราะเหตุนั้น เหล่าส ม, มณะจึงเป็นที่รักของโลกสมณะเหล่านั้นเป็นหูสูตสทรงธรรมเป็นพระอริยะเป็นอยู่โดยธรรมมีจิตมีอารมณ์เดียวมีสติเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของโลกสมณะเหล่านั้นอยู่ป่าห่างไกลผู้คนมีสติพูดด้วยปัญญาไม่ฟุง้งซ่านรู้ที่สุดทุกข์เพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของโลก สมณะเหล่านั้นหลีกออกจากหมู่บ้านใดไปไม่เหลียวแลอย่างกังวลในหมู่บ้านนั้นไปยังไม่มีเยื่อใยเลยเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะเหล่านั้นไม่เก็บสะสมทรัพสมบัติไว้ในยุ่งช้างในหม้อและในกระเช้าแสวงหาแต่อาหารที่สำเร็จแล้วเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก สมณะเหล่านั้นไม่รับเงินทองและรูปียะเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะเหล่านั้นบวชมาจากต่างสกุลกันและต่างชนบทกันก็รักซึ่งกันและกันเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกบิดากล่าวกับเราว่าลูกโรหิณีผู้เจริญ ลูกเกิดมาในสกุลเพื่อประโยชน์แก่พวกเราแท้หนอลูกมีศรัทธามีความเคารพแรงกล้าในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะลูกรู้จักพระรัตนตรัยนั้นว่าเป็นบุญญเขตอันยอดเยี่ยมสมณะเหล่านั้นคงจะรับทักษิณาทานของพ่อบ้างนะเพราะว่ายันคือบุญที่เราตั้งไว้แล้วในสมณะเหล่านั้นคงจะมีผลไพรบุญแก่พวกเราแน่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 ข้อนั้นจะเป็นประโยชน์แก่พ่อเมื่อก่อนพ่อเป็นเผ่าพันธ์แห่งพระพรหมวันนี้พ่อเป็นพรามพ่อได้วิชาสามมีความสวัสดีจบเวทและเป็นผู้ล้างบาปได้แล้ว 3. จาปาเทรีคาถาภาษิ์ของพระจาปาเทรี พระจาปาเถรีได้รวบรวมคาถาที่อุปกาชีวกและตนกล่าวด้วยการเปล่งอุทานได้กล่าวพาสิทธเหล่านี้ว่าอุปกาชีวกกล่าวว่าเมื่อก่อนตัวเราเป็นปริภาชกถอไม่เท้าเดี๋ยวนี้เรานั้นกลายเป็นพรานล่าเนื้อไปเสียแล้วไม่อาจข้ามจากตันหาและเปลือกตมอันร้ายกาดไปสู่ฝั่งโน้นได้เลย เมื่อก่อนนางจาปาดูมินเราว่าเป็นคนมัวเมานกจึงกล่อมลูกเยอะยันเสียสีเราจะตัดความเกี่ยวข้องด้วยจาปาไปบวชเสียเรากล่าวว่าอย่ากโกรธเลยท่านมหาวีระอย่ากโกรธเลยท่านมหามุนีเพราะว่าผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วไม่มีความบริสุทธิ์ดอกแล้วตบะจะมีแต่ที่ไหนเล่าอุปกาชีวกกล่าวว่า เราจะออกจากบ้านนาลาใครจะอยู่ในบ้านนาลานี้ได้เจ้าจะผูกเราสมณะผู้เลี้ยงชีพโดยธรรมด้วยมารยาหญิงอยู่หรือเรากล่าวว่ามาสิท่านกาละกลับมาเถิดเชิญบริโภคการเหมือนแต่ก่อนดิฉันและพวกญาติยอมอยู่ในอำนาจของท่านอุปกาชีวกกล่าวว่าจาป่าเจ้ากล่าวคำอ่อนหวานเช่นใดแกเรา พึงเปล่งคําอ่อนหวานให้ยิ่งไปกว่า น, นี้อีกสีเท่าคําอ่อนหวานนั้นจะพึงเป็นคําจับใจบุรุษผู้ยินดีในเธอเท่านั้นดอกนะเรากล่าวว่าท่านกาละดิฉันซึ่งสะสวยมีเรือนร่างงามดังต้นคนทามีดอกบานสะพรั่งอยู่บนยอดเขาดังเครือทับทิมมีดอกบานแล้วดังต้นแครฟอยมีดอกบานสะพรั่งภายในเกาะมีร่างกายรูปไร้ด้วยจุนแก่นจันทร์ นุ่งขมผ้าแควนกาสีมีค่ามากเพราะเหตุไรท่านจึงละทิ้งไปเสียเล่าอุปกาชีวกกล่าวว่าเจ้าจะตามเบียดเบียนเราด้วยรูปที่ตกแต่งเหมือนอย่างพรานนกประสงค์จะตามเบียดเบียนนกไม่ได้ดอกนะเรากล่าวว่าท่านกาละก็ผลคือลูกของเรานี้ท่านทำให้เกิดมาแล้วท่านจะละทิ้งดิฉันซึ่งมีลูกไปเพื่ออะไรเล่าอุปกาชีวกกล่าวว่า ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายมีความเพียรมากย่อมละพวกลูกจากนั้นก็ละพวกญาติต่อจากนั้นก็ละทรัพย์ตัดเครื่องผูกพันเด็กขาดแล้วออกโบชเหมือนพญาช้างทำเครื่องผูกให้ขาดแล้วหนีไปเรากล่าวว่าบัดนี้ดิฉันจะเอาท่อนไม้ทุบหรือเอากริดแทงลูกคนนี้ของท่านให้ล้มลงเหนือพื้นดินเพราะความเศร้าโศกถึงลูกท่านจะไปไม่ได้แน่ อุปการชีวกกล่าวว่าถึงเจ้าจักยอมมอบลูกให้ฝงสุนักจิ้งจอกกินเป็นอาหารแน่หญิงเลวเพราะลูกเป็นต้นเหตุเจ้าจักทำเราให้หวนกลับมาอีกไม่ได้ดอกเรากล่าวว่าท่านกาละผู้เจริญบัดนี้ท่านจะไปที่ไหนจะเป็นหมู่บ้านนิคมนครราชธา น, นีไหนก็เชิญเถิดอุปกาชีวกกล่าวว่าเมื่อก่อนเราเป็นเจ้าคณะ ไม่เป็นสมณะแต่สำคัญตัวว่าเป็นสมณะได้เที่ยวไปตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทุกนครทุกราชธานีพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นตรัสรู้ณนะที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชาราทรงแสดงธรรมโปรดหมูสัตว์เพื่อให้ละทุกทั้งปวงเราควรจะไปเฝ้าพระองค์พระองค์จะเป็นศาสดาของเราเรากล่าวว่าบัดนี้ ขอท่านพึงกราบทูลพระโลกนาตผู้ยอดเยี่ยมถึงการถวายอภิวาสของดิฉันและพึงทําประทักษิณแล้วอุทิศส่วนบุญให้ดิฉันด้วยอุปการชีวกกล่าวว่าแม่จาปาข้อที่เจ้าพูดกับเราเรารับได้บัดนี้เราจะกราบทูลพระโลกนาตผู้ยอดเยี่ยมถึงการถวายอภิวาทของเจ้าและจักทาประทักษิณแล้วอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้าแน่ ต่อแต่นั้นท่านกาละได้เดินทางไปใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำลังทรงแสดงอมตะ บ, บทคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกขและอริยมรรคมีองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขถวายอภิวาสพระยุคลบาทของพระองค์ทำประทักษิณพระองค์แล้วอุทิศบุญให้จาปาบวชเป็นบรรพชิตบรรลุวิชาสาม ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 4. สีุนทรีเทรีคถาภาษิตของพระศุนทรีเทรีสุชาติพรามผู้เป็นบิดาเมื่อจะถามถึงเหตุแห่งการบรรเทาความเศร้าโศกจึงถามพระวาสิธีเถรีด้วยภาษิตเหล่านี้ว่านางผู้เจริญเมื่อก่อนเจ้ากินลูกลูกให้ตายไปเจ้าเดือดร้อนอย่างยิ่งทั้งกลางวันและกลางคืน พรามณีวันนี้เจ้านั้นกินลูกหมดทั้งเจ็ดคนแม่วาสิทธีเพราะเหตุไรเจ้าจึงไม่เดือดร้อนหนักหนาเล่าพระวาสิทธีเทรีกล่าวว่าท่านพรามในส่วนอดีตลูกและหมูญาิของเราหลายร้อยคนเราและท่านก็กินกันมาแล้วเรานั้นรู้นิพพานที่เป็นธรรมเครื่องสลัดซึ่งความเกิดและความตายออกเสีย จึงไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้และไม่เดือดร้อนพราหมณ์กล่าวว่าแม่วาสิทธิน่าอัศจรรย์จริงหนอที่เจ้ากล่าววาจาเช่นนี้เจ้ารู้ธรรมของใครเล่าจึงกล่าววาจาเช่นนี้พระวาสิทธิเถรีกล่าวว่าท่านพราหมณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จมาถึงเมืองมิถิลาทรงแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์เพื่อละทุกทั้งปวงท่านพราหมณ์ เราฟังธรรมที่ปราศจากอุปธิกิเลสของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นรู้แจ้งพระสัจธรรมในธรรมเทศนานั้นแล้วจึงบรรเทาความเศร้าโศกทั้งลูกได้สุชาติพราหม์กล่าวว่าถึงเรานั้นก็จะไปเมืองมิถิลาเหมือนกันถ้าอย่างไรพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นก็คงจะทรงช่วยปลดเรื่องเราจากทุกทั้งสิ้นได้แน่ พรามได้พบพระพุทธเจ้าผู้ทรงหลุดพ้นแล้วไม่มีอุปธทิกยิเลศพระมุนีผู้ถึงฝั่งแห่งทุกขได้ทรงแสดงธรรมโปรดพรามนั้นคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกขและอริยมรรคมีองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขสุชาตพรามรู้แจ้งพระสัตร ธ, ธรรมในพระธรรมเทศนาคืออริยสัจสีนั้นแล้วเข้าบวชได้สามวันก็ได้บรรลุวิชาสามแล้ว พระสุชาติพราหมณ์กล่าวกับนายสารถีว่ามานี่สิสารถีเธอจงกลับไปจงมอบรถคันนี้ให้พราหมณีด้วยและช่วยบอกนางพราหมณีถึงความสบายไม่เจ็บป่วยว่าบัดนี้สุชาติพราหมณ์บวชได้สามวันก็ได้บรรลุวิชาสามแล้วลําดับนั้นนายสารถีนำรถและทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะนะไปมอบให้นางพราหมณี และได้บอกนางพรามณีถึงความสบายไม่เจ็บป่วยว่าบัดนี้สุชาตพราหม์บวชได้สามวันก็ได้บรรลุวิชาสามแล้วพรามณีกล่าวว่านายสารถีฉันฟังเรื่องพรามได้บรรลุวิชาสามแล้วขอมอบรถม้าคันนี้และทรัพย์หนึ่งพันกะหาปณะนะเป็นรางวัลตอบแทนเจ้าที่หข่าวดีนายสารถีไม่ยอมรับกลับกล่าวว่าข้าแต่พรามณี รถม้ากับทรัพย์ 1,000 พันกระหาปณะนจะจงเป็นของแม่เจ้าตามเดิมเถิดถึงตัวข้าพระเจ้าก็จะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐพระมณีกล่าวกับสนทรีทิดา ว, ว่าบิดาของลูกละช้างมา้าโคแก้วมณีแก้วกุณฑลและเครื่องอุปกรณ์เรือนมากมายนี้ออกบวชเสร็จแล้วลูกสนทรีลูกจงบริโภคโภสมบัติทั้งหลาย จงเป็นทายาตรับมรดกในตระกูลนะลูกสุนทรีฟังคำของมารดา น, นั้นแล้วเมื่อจะประกาศความที่ตนตั้งใจจะออกบวชจึงได้กล่าวพาสิทนี้ว่าบิดาของลูกกระทบกระเทือนใจเพราะความเศร้าโศกถึงลูกชายจึงละช้างมาโคแก้วมณีแก้วกุณฑลและอุปกรณ์เรือนที่น่ารื่นรมนี้ออกบวชถึงลูกก็กระทบกระเทือนใจ เพราะความเศร้าโศกถึงพี่ชายมากก็จักออกบทด้วยลำดับนั้นมานดาเมื่อจะชักนำสุนทรีธิดาในทางเนกขับมะจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าลูกสุนทรีขอความดำริของลูกจงสำเร็จตามที่ลูกปรารถนาเถิดลูกเมื่อใช้สอยสิ่งเหล่านี้คือก้อนข้าวที่พึงลุกขึ้นยืนรับการเที่ยวแสวงหาอาหารและนุ่งห่มผ้าบางสกุล จงเป็นผู้ไม่มีอาสวะในโลกหน้าเถิดพระสุนทรีจึงกล่าวขออนุญาตพระภิกษุณีผู้เป็นอุปชาว่าข้าแต่แม่เจ้าดิฉันเมื่อเป็นสิกขานาก็ชำระทิพยาจักขุให้หมดจดได้แล้วดิฉันระลึกถึงชาติก่อนที่เคยอยู่อาศัยมาได้ข้าแต่แม่เจ้าผู้มีคุณความดีเป็นผู้งามในหมู่พระเทรีเพราะอาศัยแม่ท่านดิฉันบรรลุวิชาสาม ได้ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วข้าแต่แม่เจ้าโปรดอนุญาตเถิดเจ้าค่ะดิฉันประสงค์จะไปกรุงสาวัตถีจจกบรนเลอสีหานาฏในสํานักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระสุนทรีเถรีไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วเข้าไปยังพระวิหารได้เห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู่บนทันมากจึงพูดกับตนเองว่า สุนทรีท่านจงดูพระาศาสดาผู้มีพระรัศมีดังทองคามีพระชวีวันเรืองรองดังทองคาทรงฝึกเหล่าชนที่ใครๆฝึกไม่ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรหม่อมฉันผู้ชื่อว่าสุนทรีซึ่งหลุดพ้นแล้วไม่มีอุปทิกิเลตปราศจากราคะไม่เกาะเกี่ยว ไม่มีอาสวะทำกิจเสร็จแล้วมาเฝ้าอยู่ข้าแต่พระมหาวีระสุนทรีสาวิกาของพระองค์ออกจากกรุงพาราณสีมาเฝ้าพระองค์ถวายอภิวาพระยุคลบาทอยู่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของหม่อมฉันข้าแต่พระผู้ทรงเป็นพราหม์หม่อมฉันเป็นทิดาซึ่งเกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระออษของพระองค์ไม่มีอาสวะทำกิจเสร็จแล้ว ลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะชมเชยการมาเฝ้าของนางจึงได้ตรัสว่าสุนทรีผู้เจริญเธอมาดีแล้วมาไม่เลวเลยเพราะว่าผู้ที่ฝึกแล้วอย่างนี้ปราศจากราคะไม่เกาะเกี่ยวไม่มีอาสะวะทากิจเสร็จแล้วย่อมมากราบเท้าพระศาสดา 5. สุภากรรมมรทีตุเทรีคทถา ภาษิตของพระสุภากรรมมรติดาเทรีพระสุภากรรมมรติดาเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเพราะเมื่อก่อนเรายังสาวนุ่งห่มผ้าสะอาดได้ฟังธรรมแล้วเรานั้นไม่ประมาทจึงได้ตรัสรูษษ้สัจธรรมฉะนั้นเราจึงไม่ยินดีอย่างยิ่งในกามทั้งปวงเห็นภัยในกายของตนกระยิ่มเฉพาะเนคคัมมะเท่านั้น และหมู่ญาติธาตกรรมกรบ้านไรนาความมั่งคั่งและกองโภคะที่น่ารื่นรมที่เขาบันเทิงกันนักและสมบัติไม่ใช่น้อยออกบวช ด, ด้วยศรัท ธ, ธาอย่างนี้ในพระสัทธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้วข้อที่เราแลกเงินทองแล้วยังกลับยินดีเงินทองอีกนั้นไม่สมควรแก่เราเพราะเราปรารถนาความไม่มีห่วงกังวล เงินทองหาใช่มีไว้เพื่อความตรัสรู้เพื่อความสงบใจไม่เงินทองนั้นไม่สมควรแก่สมณะทั้งไม่ใช่อริยทรัพย์อันหนึ่งเงินทองนี้ทําให้เกิดความโลภนํามาซึ่งความมัวเมาให้เกิดความลุ่มหลงเป็นเครื่องเพิ่มพูนความกําหนัดยินดีมีความระแวงมีความยุ่งยากและในเงินทองนั้นไม่มีความยั่งยืนมั่นคงเลยอันหนึ่ง ผู้คนเป็นอันมากยินดีในทรัพน์นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทมีใจเศร้าหมองต่างผิดใจต่อกันและกันกระทําความบาดหมางทะเลาะวิวาทกันการฆ่ากันการถูกจองจําการต้องโทษมีตัดมือเป็นต้นความเสื่อมความเศร้าโศกร่ําไรความพินาศเป็นอันมากของคนทั้งหลายผู้เนื่องอยู่ในกามทั้งหลายก็มองเห็นกันอยู่ ท่านทั้งหลายเป็นญาติก็เหมือนเป็นศัตรูเพราะเหตุไรจึงชักจูงเรานั้นไว้ในกลามทั้งหลายเล่าท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเราเห็นภัยในกลามทั้งหลายจึงบวชอาสวะทั้งหลายย่อมไม่สิ้นไปเพราะเงินและทองกรามทั้งหลายเป็นศัตรูเป็นผู้ฆ่าเป็นฆ่าศึกเป็นดังลูกสรเสียบไวท่านทั้งหลายเป็นญาติก็เหมือนเป็นศัตรูเพราะเหตุไร จึงชักจูงเราไว้ในกาามทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเราบวชศีสะโล้นครองผ้าสังฆาติแล้วก้อนข้าวที่จะพึงลุกขึ้นยืนรับการเที่ยวแสวงหาการนุ่งห่มผ้าบางสกุลและบริหารเครื่องอาศัยของนักบวชผู้ไม่มีเรือนนี่แหละเป็นของเหมาะสมสำหรับเรากาามทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์ เหล่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คลายเสียแล้วท่านเหล่านั้นน้อมไปแล้วในฐานะอันปลอดโปรง่งบรรลุสุขอันไม่หวั่นไหวแล้วเราอย่าร่วมด้วยกามทั้งหลายซึ่งช่วยอะไรไม่ได้เลยกามทั้งหลายเป็นศัตรูเป็นผู้ฆ่าอุปมาด้วยกองไฟนำแต่ทุกมาให้กามนั่นเป็นสภาวะที่เบียดเบียนมีภัยเป็นไปกับด้วยความคับแค้น เป็นเซียนน้ำและกามนั้นมีสภาวะหมกมุ่นไม่เรียบร้อยเป็นเหตุลุ่มหลงมากเป็นเหตุขัดข้องและเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกามทั้งหลายเปรียบเรื่องงูพิษที่เหล่าปุตุชนทั้งเขาและบอดเพลิดเพลินกันยิ่งนักปุตุชนเหล่านั้นเป็นจำนวนมากคลองอยู่แล้วด้วยเปลือกตมคือกามไม่รู้ความจริงในโลก ย่อมไม่รู้ซึ้งถึงที่สิ้นสุดเพราะความเกิดและความตายผู้คนเป็นอันมากพากันเดินทางไปทุกติซึ่งมีการมเป็นเหตุทั้งนั้นอันนำโรคมาให้แก่ตนทีเดียวการมทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดศัตรูให้เดือดร้อนนาความเศร้ามองมาเป็นเหยื่อในโลกเป็นเครื่องจองจำเกีย่ยวเนื่องด้วยความตายการมทั้งหลายเป็นเหตุให้บ้าให้บ่นเพอ้อย่ำยีจิต เพราะทำหมูสัตว์ให้เศร้ามองพึงเห็นว่าเหมือนรอบที่มารีบดักไว้กรรมทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไม่ได้มีทุกขมากมีพิษมากมีความพอใจน้อยเป็นสนามรบทํากรรมฝ่ายกุศลให้เหือดแห้งลงเรานั้นละความพินาศซึ่งมีการเป็นเหตุเช่นนั้นได้แล้วจกไม่กลับมาหามันอีกเพราะว่าตั้งแต่บวชแล้วเรายินดีอย่างยิ่งในนิพพาน หวังความเยือกเย็นจึงทำสงครามต่อกามทั้งหลายยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นสังโยชน์จากเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เดินตามทางอริยมมากมีองค์แปซึ่งเป็นทางสายตรงไม่เร้าโศปราสะจากจีเลตดุทุลีเป็นทางปลอดโปรง่งซึ่งเป็นทางที่เหล่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พากันข้ามไปแล้วพระผู้มีพระภาค ทรงแนะนำพระเถรีผู้บรรลุพระอรหัตผลในวันที่8หลังจากบวชผู้นั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะทรงสรรเสริญจึงตรัสคทถาเหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูทิดาของช่างทองผู้สวยงามผู้ดำรงอยู่ในธรรมผู้นี้เถิดเธอได้บรรลุอรหัตผลอันไม่หวั่นไหวเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ วันนี้เป็นวันที่แปหลังจากเธอมีศรัทธาโบทแล้วงามเพราะบรรลุพระสัทธรรมได้พระอุบลว น, นาเถรีช่วยแนะนําแล้วบรรลุวิชาสามและมั จ, จุมานเสียได้ภิกษุณีรูปนี้นั้นเป็นไทยแกตัวเองไม่เป็นหนี้อบรมอินทรีย์แล้วพรากจากกิเลสที่เคยมีได้หมดไม่มีอาสวะทำกิจเสร็จแล้ว พระสังคีติกาจารย์ได้กล่าวภาษตนี้ไว้ว่าเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าหมูสัตว์พร้อมด้วยหมูเทพพากันเข้าไปหาพระเทรีซึ่งเป็นทิดาของช่างทองผู้สวยงามนั้นด้วยฤทธิ์ของตนแล้วทรงมนัสการอยู่วิสตินิบาจบ ติบสี่ติบาท 1. สุภาชีวกัมภวนิกาเถรีคาถาภาษิตของพระสุภาชีวกัมภวนิกาเทรีพระสุภาชีวกัมภวนิกาเทรีได้เปล่งอุทานด้วยภาษิตเหล่านี้ว่านักเลงเจ้าชู้คนหนึ่งได้ยืนขวางกั้นพระสุภาภิกษุณีซึ่งกําลังเดินไปสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมรารพัทที่น่ารื่นรม พระสุภาภิสุณีได้พูดกับชายนักเลงเจ้าชู้นั้นว่าฉันประพฤติผิดอะไรต่อท่านหรือจึงมายืนขวางกั้นฉันไว้ท่านผู้อวุโสชายไม่ควรถูกต้องยิงนักบวชเลยเพราะเหตุไรท่านจึงยืนขวางกั้นดิฉันผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุยั่วยวนมีส่วนบริสุทธ์ด้วยศีกขาที่พระสุโคทรงแสดงไว้ในศาสนาที่ควรเคารพแห่งพระาศาสดาของดิฉัน เพราะเหตุไรท่านจึงมีจิตขุ่นมัวมีจิตมีกิเลสดุทุลีมายืนขวางกั้นฉันผู้มีจิตไม่ขุนมัวปราศจากกิเลสเป็นเหตุยั่วยวนมีจิตหลุดพ้นในเบญจขันธ์ทั้งปวงนักเลงเจ้าชู้กล่าวตอบด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าแม่นางยังสาวทั้งสวยไม่ซามเลยบรรพชาจะทำประโยชน์อะไรให้แม่นางได้โปรทิ่งผ้ากาสายเสียมาสิ เรามารื่นรมกันในป่าที่มีดอกไม้บานสะพรั่งเถิดและหมู่ไม้ถูกลมพัดเอาละองเกรซ่ดอกไม้ฟุ้งขึ้นก็โชยกลิ่นหอมตลบไปทั่วฤดูนี้เป็นต้นฤดูฝนน่าสบายมาสิเรามารื่นรมกันในป่าที่มีดอกไม้บานสะพรั่งอันหนึ่งต้นไม้ทั้งหลายมีดอกบานแล้วต้องลมไว้ระริกดุดจะมีเสียงโครญอยู่ แม่นางจะมีความยินดีอะไรถ้าแม่นางจะเข้าป่าเพียงผู้เดียวป่าใหญ่มีหมูสัตว์ร้ายอาศัยอยู่คลาคล่ำไปด้วยช้างพลายตกมันและช้างพังไม่มีผู้คนน่าสะพรึงกลัวแม่นางไม่มีเพื่อนยังปรารถนาจะเข้าไปหรือแม่นางงามไม่มีใครเปรียบแม่นางท่องเที่ยวไปเหมือนตุ๊กตาที่นายช่างผู้ชันฉลาดทําแล้วด้วยทองคําสีสุก งดงามด้วยผ้าสวยเนื้อละเอียดของแควนกาสีดังเทพอับสอนเที่ยวไปในสวนจิตระดาเชียวละถ้าเราทั้งสองได้อยู่ร่วมกันในกลางป่าฉันจะยอมอยู่ในอำนาจของแม่นางแม่นางผู้มีดวงตาหยาดเยิมดังกินนรีเพราะคนที่น่ารักกว่าแม่นางสำหรับฉันไม่มีเลยถ้าแม่นางเชื่อฉันก็จะมีความสุขมาสิมาครองเรือนกัน แม่นางจะได้อยู่บนปราสาทที่ปราศจากลมพัดหญิงทั้งหลายจะคอยรับใช้แม่นางแม่นางจงนุ่งผมผ้าเนื้อละเอียดของแควนกาสีจงตกแต่งร่างกายสวมมันเลยรูปลาประเทืองผิวฉันจะทำเครื่องประดับต่างๆมากชนิดที่เป็นทองคำแก้วมณีและมุกดาให้แม่นางแม่นางขึ้นที่นอนใ่ใหมเอี่ยมมีค่ามากสวยงาม ปูด้วยผ้าโกเชาขนยาวและผ้าสำมรีคลุมด้วยผ้าที่ซักสะอาดแล้วตกแต่งด้วยแกนจัน์มีกลิ่นหอมดอกอุบลโผล่พ้นน้ำไม่มีมนุษย์ชมแล้วฉันใดแม่นางเป็นสาพรหมจารีก็ฉันนั้นเมื่อส่วนเรินร่างของแม่นางยังไม่มีใครเชยชมเลยแม่นางก็จักถึงความชราร่วงโรยไปเสียเปล่าๆพระสุภาชีวกรมภาวาิกาเทรีถามว่า ในร่างกายที่จะต้องแตกสลายเป็นธรรมดาซึ่งเต็มไปด้วยซากศพรังแต่จะรบป่าชานี้มีอะไรที่ท่านเข้าใจว่าเป็นสาระเพราะเห็นสิ่งใดจึงเกิดติดใจขอท่านโปรดบอกสิ่งนั้นมาเถิดนักเลงเจ้าชูตอบว่าเพราะเห็นดวงตาของแม่นางเสมือนดวงตาลูกเนื้อใสาและเสมือนดวงตากินรีที่เที่ยวอยู่ตามไหลเขา ความใคร่ความยินดีของฉันยิ่งกำเริบเพราะเห็นดวงตาของแม่นางอุปมาดังปลายดอกอุบลดวงหน้าของแม่นางไร้ไฟฝ้าเรืองรองดังดวงหน้ารูปทองคําความใคร่ความปรารถนาของฉันก็ยิ่งกำเริบแม่นางผู้มีดวงตาบริสุทธิ์มีขนตายาวแม้ฉันจะไปไกลแสนไกลก็ยังคงระลึกถึงดวงตาทั้งคู่ของแม่นางเท่านั้น แม่นางผู้มีดวงตาหยาดเยิมดังกินนรีเพราะว่าสิ่งอะไรอื่นที่น่ารักกว่าดวงตาของแม่นางสำหรับฉันไม่มีเลยพระสุภาชีวะกัมภวนิกาเทรีกล่าวตอบว่าท่านปรารถนาดิฉันผู้เป็นทิดาของพระพุทธเจ้านับว่าปรารถนาจะเดินทางผิดแสวงหาดวงจันทร์เอาเป็นของเล่นต้องการจะกระโดดขึ้นภูเขาสิเนรุเพราะว่า ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกบัดนี้ดิฉันไม่มีความกําหนัดเลยความกําหนัดนั้นดิฉันไม่รู้ดอกว่าเป็นเช่นไรเพราะมันถูกดิฉันกําจัดเสียแล้วพร้อมทั้งรากด้วยอริยมรรคความกําหนัดนั้นดิฉันยกออกแล้วเหมือนลมหอบเอาเชื้อเพลิงออกจากหลุมฐานเพลิงถูกทําให้พินาศไปแต่ยอดเหมือนยกภาชนะที่ตกลงในยาพิษออกไป ความกำหนัดนั้นดิฉันไม่รู้ดอกว่าเป็นเช่นไรเพราะมันถูกดิฉันกำจัดเสร็จแล้วพร้อมทั้งรากด้วยอริยมรรคหญิงใดไม่พิจารณาเบญจขันธ์หรือไม่เข้าเฝ้าพระาศาสดาเชิญท่านประเลาประลมหญิงเช่นนั้นเถิดท่านนั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะอาศัยสุภาภิกษุณีผู้รู้ตามความเป็นจริงนี้เพราะสติของดิฉันมั่นคง ไม่ว่าในการดา่าการไหว้สุขและทุกข์เพราะรู้ว่าสังขารที่ปัจจัยปรุงแต่งเป็นของไม่งามใจดิฉันจึงไม่ติดอยู่ในภพสามทั้งสิ้นเลยดิฉันนั้นเป็นสาวิกาของพระสุคตดดำเนินไปด้วยยานคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ทถอนกิเลสดุดลูกศรเสียแล้วไม่มีอาสะวะยินดีอยู่แต่ในเรือนว่างรูปภาพ ที่ทำด้วยไม้หรือใบลานที่เขาบรรจงเขียนไว้สวยงามอันเขาผูกไว้ด้วยได้และตรึงไว้ด้วยตะปูทำให้เหมือนกับจะฟ้อนรำได้ต่างๆดิฉันเห็นมาแล้วเมื่อรูปนั้นถูกรื้อออกปลดได้และตะปูออกก็บกพร่องกระจัดกระจายแยกออกเป็นชิ้นๆไม่พึงได้สภาพที่ชื่อว่ารูปบุคคลจะพึงเอาใจจดจ่อในรูปนั้นทาไม ร่างกายของดิฉันนี้ก็เปรียบด้วยรูปภาพนั้นเว้นจากทำเหล่านั้นเสียก็เป็นไปไม่ได้ร่างกายเว้นจากทำทั้งหลายเสียก็เป็นไปไม่ได้บุคคลจะเพึ่งเอาใจจดจ่อในร่างกายนั้นทำไมเหมือนบุคคลได้เห็นภาพจิตรกรรมที่จิตรกรระบายด้วยหรอระดานทำไว้ที่ฝาผนังในจิตรกรรมนั้นท่านก็ยังเห็นวิปริต ความสําคัญว่ามนุษย์ของท่านก็ไร้ประโยชน์คนบอดท่านยังจะเข้าไปยึดอัตภาพที่ว่างเปล่าเหมือนภาพลวงตาที่ปรากฏต่อหน้าเหมือนต้นไม้ทองในความฝันเหมือนรูปของมายากลที่นักเล่นกลแสดงถ้ำกลางฝูงชนว่าเป็นของจริงฟองเป็นดังฟองน้าที่อยู่กลางดวงตานั้นมีน้าตามีมูลตาเกิดที่ดวงตานั้น และส่วนของดวงตาต่างๆก็มารวมกันเหมือนก้อนครั่งที่อยู่ตามโพรงไม้พระสุภาเถรีมีดวงตางามและมีใจไม่ข้องไม่ติดในดวงตานั้นก็ควักดวงตาออกจากเบ้าตาส่งมอบให้ใชายเจ้าชู้ผู้นั้นทันทีพร้อมกับกล่าวว่าเชิญนําดวงตานั้นไปเถิดเพราะเรามอบให้ท่านแล้วทันใดนั้น ความกำหนัดในดวงตานั้นของนักเลงเจ้าชูนั้นก็หายไปและเขาขอคำมาพระเถรีนั้นด้วยคำว่าข้าแต่แม่นางผู้ประพฤติพรหมจรรย์ขอความสวัสดีเพื่งมีแก่แม่นางเถิดความประพฤติอนาจารเช่นนี้จะไม่มีต่อไปอีกละพระสุภาชีวกัมภวาณิกาเถรีกล่าวว่าท่านกระทบกระทั่งคนเช่นดิฉันนี้ก็เหมือนกอดกองไฟที่ลุกโชน เหมือนจับงูมีพิษร้ายท่านขอโทษ ด, ดิฉันเพื่อมีความสวัสดีได้บ้างภิกษุณีนั้นพ้นจากนักเลงเจ้าชูนั้นแล้วได้ไปยังสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้ชมบุญญลักษณะอันประเสริฐจากสุก็กลับเป็นปกติเหมือนอย่างเดิมติ้งสันนิบาตจบ